มีสต <yummy. S 1> ิจึงจะรู้รสชาติของกุศลหรอกุศลเรงหลงเป็นยังไงเวาเรามีสติจะรู้เออนี่หลงเรองรู้เป็นยังไงเรามีสติเราจะรู้เออนี่คือรู้มาคิดนะเขียนไปอย่างนี้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 สนลักเสนลักก็ช่วยกันไม่ได้แต่แม่ลักลูกลูกลักพ่อแม่พันยาสามีลักกันก็ช่วยกันไม่ได้ถ้าเราไม่หัดอันหัดนี่ต้องทำให้เป็นอาว่าที่เป็นไม่ใช่คนอื่นสอนเราสอนตัวเองส่วนพระว่าให้ลูกเนี่ยใครสอนเราก็ได้เราก็มีความรู้เดียวกันทั้งนั้น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 ความหลงเป็นทรรมหมายความไม่หลงเป็นทำไมมความข ว, มมวดเป็นทำไมหมความไม่กวดเป็นทำไมหมความทุกข์เป็นทำไมหมความไม่ทุกข์เป็นทำไมหมสัมผัสเอาถ้าเราไม่สัมผัสเราจะไม่รู้ลดตรง น, นี้ก็ลยด้านไปดื้อตรง น, นี้ด้านตรง น, นี้ยังโกรธอยู่ได้ยังทุกข์อยู่ได้ทางเตนนี้ไม่โกรธก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้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 จงทำปัจจุบันให้แจ็งแช้งอย่าก็แน่นค้อนแขนจงพวกคุณอาการเช่นนั่นไว้แล้วมีความรู้พกคุลเอาไว้เวลามันหลงรู้เนี่ยพกคุณตรงนี้เวลามันคิดไปอย่าไปกับความคิดให้รู้พกคุณอยู่ตรงนี้ก่อนจงทำปัจจุบันพกคุณเอาไว้จะให้หลงเป็นหลง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 เปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธมีบ้างไหมเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์มีบ้างไหมเหมือนกระ่าเมื่อหลังมือมันมีสองด้านมันมีคู่อะไรก็มีคู่แบบนี้ในโลกนี้ก็ฉีด้ถทะมองแบบนี้จึงได้ออกเสวงหาเรื่องนี้เห็นความเกิดก็บองถึงความไม่เกิดเห็นความเจิก็มองถึงความไม่เจร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 อยู่ที่ไหนก็ชอบอยู่ที่บ้างก็อยู่โดยชอบอยู่ที่รุ่มที่ดอนอยู่ที่ไหนอยู่โดยชอบถ้ามันหลงเป็นเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรูปนี่อยู่โดยชอบเมื่อเราอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ืออยู่ตรงนี้ไม่ใช่มาอยู่สุกตัวนะอยู่โดยชอบก็อยู่ทุกที่ก็ได้ เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่มันก็หลงไม่มีอะไรทีบทดอกความหลงความทุกข์นอนอยู่ก็หลงได้นั่งอยู่ก็หลงได้โกรธได้ทุกข์ได้นั่นแหละเราก็เปลี่ยนมันเรามีหัดเอาไว้หัดให้มันเป็นถ้าไม่เป็ี่ยนแล้มันหลงรู้ให้เป็น ถ้าหลงเป็นหลงวิอวิชาอาทุกข์เป็นทุกข์ด้วยอวิชาถ้าโกรธเป็นโกรธด้วยอวิชาอวิชาก็เป็นไปไกลเกิดตัณหาอุบทานภพชาติชราดรณะโศกปิเทวทุกข์โหเจ็บเจบตายไปถ้าหลงเป็นหลงถ้าทุกข์เป็นทุกข์ถ้าโกรธเป็นโกรธไปทั้งต่ํา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 อยู่ตรงความไม่เป็นอะไรถ้าไปพอใจเธอไปไม่พอใจมันเป็นพกเป็นชาติถ้าไม่เป็นอะไรเห็นมันมีนนจิถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พอใจไม่พอใจเป็นลสของโลกมันเป็นโลจิยะ ม, มีรสชาติแบบน่งสังสัตม์สัตว์ตโลกย่อมติด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 ถ้าทุกข์มาก็รับเ อ, อาความทุกข์ถ้าสุข ม, มาก็รับความสุขเลยฟรีไปมันเสาะชะละชีตของเราเนี่ยรับใช้ความสุขความทุกข์เป็นสมสอนโศเพนถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตโศเพนีสมส อ, อนรับใช้ถ้าเห็นมันทุกข์ไม่เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ <c oughs> มีศักดิ์ศรี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 ความพอใจก็จคือหลงนั่นแหละไม่ตพอใจความไม่พอใจคือหลงนั่นแหละมันจะเกิดความไม่พอใจชุบ ก, ก็คือมันหลงนั่นแหละทุ ก, ก็คือมันหลงนั่นแหละแล้วสุขเธอทุกมันเป็นคู่กันนะ่ะแต่ไม่สุขไม่ทุกเหนือสุขเนื้อทุกนะ่ะมันเป็นขี้เป็นพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระเจ้ายังเห็นทุกเห็นสมุทยัยสมุทัยคือเหตุนั่น เป็นหลงเป็นไปหลงจัง<ะ>มันก็จบมาง่ายๆไอาเช่นไปห้ามความหลงมากำหนดกายเวลามันหลงคิดไปกลับมาลู้ถึกตัวมันหลงไปกลับมารล้วทีลใดก็หัดอาศัยนิมิตต่อไปถ้ามันเจงไม่ต้องอาศัยพอหลงไม่หลงที่รก็รู้ที่นั่นนันทีแล้วต้องอาศัยนิมิตหัดใหม่ต้องอาศัยนิมิไไมตอ เป็นเครื่องยิดไว้เหมือนเดินแต่ลาวสะพานถ้าหัดได้แล้วก็ไม่ต้องจบลาวเหมือนคนไปหัดแต่สะพานเขียนที่เขาใหญ่เคยไปไหมอืมไต่สะพานใช่ไนมนไปอย่างนี้ ก็ต้องจเจาะเปล่าไปก่อนถ้าหัดไปหัมาเขาไม่้องจเจาเปล่ามันสงตัวได้เหมือนคนหัดใต่หนังก็ เ, เห็นไหมไต่เชืองแล้ก็หัดได้มันหัดได้อันภาษาอะไรหลงเนี่ยหัดรู้มันไม่ยากขนาดนั้นมันอยู่กับเราเออมันหลงที่ไหนบ้านใดเมืองใดเวลาไหนรู้เวลานั้นนาะ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 อดก้นไหลมากเพราะมันหลงลูกขึ้นมาเจ็ดแล้วต้อมันโกรดลูกขึ้นมาตา เ, เปียบเหมือนแท็กเตอร์ใบมีแท็กเตอร์ใบมีแท็กเตอร์ผ่านไปตรงไหนมันก็เลียบไปเลียบไปเป็นทางไปเปนทางไปทุบทางเหมือ น, นเราหลงเหมืนก็นเดินเข้าป่า ถ้าเราุกเ น, นขั้วทางเป็นทางรอว่าอริยมรรคเพียนหลงเป็นไม่หลงเป็นมรรคมรรคคือดูดูแล้วเห็นไม่เป็นเพราะมีมรรคมันจึมีนโิโรดมันพ่นไปเห็นงูออกจากงูเพราะว่างูมันอยู่นี่ไปมันก็พ่นไป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 นี่กรรมฐ า, านมีไม่มากในโลกน้อยคนที่ศึกษาลนี่กันลองตลาดสักชาติลองรู้ได้ไหมถ้าไราเป็นนะักบวชก็บวชสักาติหนึ่ง <laughs> ถ้าเป็นญาญงบวชศึกษาลนี่ัชกชาติหนึ่งลองรู้ิจประเทศไทยนั่นเนี่ยมีสอนสายแบบชาวพุทธ มีวัดว่าอารามมีพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนมีธรรมมาเอามาพูดมาขี้แจงให้ฟังอยู่เอามา ส, สาธยายพระสูดในกายยาัชาติสังจะจังจะระจังนี้พิจังอย่างที่เราสาธยายพระสูดเราหงษ์สมมาชมุโตพรุว่าพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตัดทะลชอบได้รถพระองค์เอง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 ปฏิบัติให้ผลได้ไม่จำกันการมันหลงเวลานี้เปลี่ยนเปลี่ยนหลงให้เป็นรูปหลงกลางคืนเปลี่ยนกลางคืนให้เป็นรูปหลงกลางวานันเปลี่ยนกลางวันเป็นรูปหลงวินาทีนี้เปลี่ยนวินาทีนี่เป็นรูปปฏิบัติได้มีสิตทีใช้สิตทีของเราให้ได้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 แล้วแล้วตอมาดูลู่ไหมถ้าลู้มันหลงเลยเนี่ยมีใครลู้อย่างนี้ปะ่ะวินาทีละลู่ก็ชั่วโมงนึ่งสามพันหกร้อยวินาทีสามพักรอยลูแล้วมันฟรีไปเท่าไหรชีวิตเราใช่ชีวิ ต, รรวตรฟรีมานานแล้วต้องให้มันลู่ด้วยเชิญมาดูเชิญมาดู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 ยินไห ม, ไมพระพูดนวเนี่ย <laughs> สมกวรเฉยเวลากับพระ พ, ระพื่อคำ